ลสัสนวัตสิกขาบทที่8ว่าด้ยวยการทิ้งอุจาระเป็นต้นภายนอกฝาเรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง824สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งได้แต่งตั้งให้เป็นผู้เก็บสวยทรงหลวง คิดค่าเราจะทูลขอตำแหน่งนายด่านนั้นจึงสนานเกล้าวเดินไปราชสำนักผ่านที่อยู่ภิกษุณีภิกษุณีรูปหนึ่งถ่ายววจระลงในหม้อแล้วเททิ้งภายนอกฝาราดลงบนศีรษะของพรามนั้นพอดีพราหมณนั้นตำหนิประนามโผนทนาว่ายิงชั่วหัวโล้นพวกนี้ไม่ใช่สมณะหญิง ฉไนจึงเทหมอ้อคูดลงที่ศรีรษะของเราเราจับเผาสำนักพวกนา้นถือคบเพลิงเข้าไปสำนักภิกษุณีอุบาสกคนหนึ่งกําลังออกจากสำนักภิกษุณีได้เห็นพราหมณ์นั้นถือคบเพลิงเดินเข้าไปสู่สำนักจึงได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นดังนี้ว่าเหตุไรท่านจึงถือคบเพลิงไปสำนักภิกษุณีเล่าพราหม์นั้นกล่าวว่ายิงช่วงหอวล้วนพวกนี้ เทมอ่อคูดลงที่ศีรษะของเราเราจะเผาสำนักพวกนานอุบาสกกล่าวว่ากลับเถิดพรามผู้เจริญเหตุการณ์นี้จัดว่าเป็นมงคลท่านจะได้ทรัพย์ 1,000 และจะได้ตําแหน่งนายด่านนั้นพรามนั้นสนานกล่าวแล้วไปราชสำนักได้ทรัพย์ 1,000 งและได้ตาแหน่งนายด่านนั้นครั้งนั้นอุบาสกนั้นกลับเข้าไปสำนัก แจ้งเรื่องนี้แก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้วบริพารบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยภิกษุณีทั้งหลายจึงเทวจระภายนอกฝาเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นําเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ